أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان ا ل ي و م الدين ثم م ا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنتنا س ن ك ي ن ي القرآننا เรื่องล็กเสันๆโดยรวมรวมถึงมนคานะดีสอทันนบุลอัลลอฮ์เรา ع ل, ل, و ل ي و ว่าข้อแนะนาในคุรานละฮะดีสจะไม่พูดถึงเรื่องคนไกทางธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคย เอาเล็กไปปลูกเพราะแล้วก็รดน้ําแล้วมันจะขึ้นเป็นต้นไม้อันนี้อันนี้คนเขารู้รู้กันเองรือว่าอัลกุรอานตั้งใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้เรื่องกฎทางธรรมชาติกฎไก่ตั้งธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้เราได้ค้นคว้าศึกษากันเอง บางทีจะแนะนำเรื่องที่มันเป็นกลไกทางธรรมชาติที่มันเป็นกฎธรรมชาติเพราะผู้ศรัทธาไปเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับหลักการศาสนาเช่นในสงครามบัตเดียวจะมีอ้หลังจากนี้ละบอกว่าอัดดูแลมัสตัตุมิ่กูวติวมรริบาติลร อยู่ใริบัติข่ายที่รุ่ยรุ่ยนั้องอาดูว่า ا ل วอดูว่คุณงเตรียมไว้ซึ่งกาลังพลังด้านอาวุธด้านอาหะเพื่อจะได้เป็นการค่มคู่ศัตรูของพวกเจ้าซึ่งการเตรียมปัจจัยด้านการทาสงครามมันเป็นกฎทางธรรมชาติ เราจะไปสูกส้กัศัตรูที่มีที่มีรถถัง ท, ที่มีจรวจมีเครื่องบินโดยดาบไ ม, ม้คงไม่ได้แต่ถ้าบูศรัทธาเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋ อ, อล l l อยู่กับเราเรายังไงก็ชนะ Allah ก็เลยต้องสั่งสอนไม่ใช่ต้องเตรียมนะ ฉะนั้นคําสั่งสอนที่จะมาเตรียมอะไรที่มันสอดคล้องกับคนไกลดังธรรมชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่กดเสมอเสมอไม่ใช่กดเสมอในกุรานที่สม่ำเสมอในคุรานนี่คือจะแนะนําอะไรที่มันเหนือวิสัยเหยีนวิสัยหรือคนไม่เคยคิดเป็นปัจจัยที่คนไม่ค่อยไม่คยคุค้นเคย่ เป็นกลไกที่คนส่วนมากเนี่ยไม่ตระหนักว่ามันจะเป็นเหตุผลเป็นสาเหตุในการที่จะนำ ม, มาซึ่งชัยชนะหรือความสาเร็จใดๆในรูปแบบการปะทะกันในใ น, ในสงครามเนี่ยกลไกแล้วก็กฏต่างๆที่เร า, าคุ้นเคยก็คือ การฝึกซ้อมเตรียมอาวุธเบียงส่วนมากกันนั่นเองคุณอ่านแล้ก็ไม่คุยผู้รุ่งนี้ไม่มีผู้รุ่งแต่ในเรื่องที่มันคนส่วนมากหรือหรือจะเกือบทุกคนน่ะไม่ค่อยให้ความสำคัญปัจจัยที่จะนํามาซึ่งความช่วยเหลือจากลอสุภานอวดาเช่นการรับเลือกสิ่งของ เพราะโดยทั่วไปเนี่ยทางทางกฎเกณฑ์และกลไกอะนะเกี่ยวอะไรมัรลึกถึงอะลอกมันจะทำให้เราชนะมันยังไงอ่ะ ม, มันเหนือวิสัยมันพ้นวิสัยจึงต้องมีการพูดถึง แ, และนี่แลนี่คือสิ่งที่เราสังเกตในกุรานพอพอเราอ่านกุรานทั้งหมดนยจุดที่เราจะสังเกตนี่ก็คือเรื่องเนี่ย เราจะจะไม่แนะนําเรื่องที่เราสามารถค้นหาด้วยตัวเองอีนี้ถ้ามนุษย์จะมานั่งค้นหากันจะมานั่งทดลองกันว่าลองสิบทสว่วนนี้ลองดิพูดแบบนี้แล้วมันจะชนะไหมเหรนเกีหรอลองไปมันก็ไม่มีผลเพราะมันมันไม่ได้เป็ น, นกลไกที่พิสูจน์ได้ด้วยด้วยบท ทดลองบททดลองที่ที่คือที่มันที่มันที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์น่ะคนะกล่าวซิกุรุลล์มันม่เหมือนเจะกล่าวบทสวดอย่างงูนแล้วมันจะชนะที่เคยที่เด็ที่โดนหลอกว่าให้ให้กล่าวให้กล่าวอายาละวันหายตัวแล้วก็ไปไปบุกบุกป้อมซะ ตกวเขาวุ้เล่นปกฏดอจริงด้วยไปหาหมอตัวหมอไม่ท้าอ่ะว่าลียตัตอะไไอ้พวกหมอดูนว่าเลียตลัต้ตามคานวณของคนที่เขาคานวณอักษรน่ะนะเขาบอกนว่าเลียตลับต้อเนี่ยเป็นคาที่อยู่จุดกลางในกุร และตัวฟานี่นะท้ายของคำวอรียตอลต็อกเนี่ยก็คืออยู่ในตรงกลางทนับอักษรคุตัานนในแสนกว่าอักษรนะนะเนี่ยฟานี่อยู่ตรงกลางเลยและคำวอรียตอลต็อกเนี่ยก็จงเบาจงเบาตัวเธอเบาตัวเธอเวลาอยู่ช่วยรนนบีกุมะฮันนี่ของของเรื่องชาวถ้ำเนี่ย ที่ตอนผ่านพ้นไปแล้วในสามร้อยกว่าปีแล้วก็เขารู้สึกหิวก็มีส่วนหนึ่งเขาบอกว่าให้ให้เอาตังค์แล้วก็ออกไปวิเลตตลับก็คือซ่อนตัวซ่อนตัวเบาตัวอะไรอยู่ใช้รนบิวูมาเขาแล้วก็อย่ให้ใครรู้สึกว่าเราจะเดินไปซื้อของเขาก็เลยตีความอ้อนแสดงว่ามีเคล็ดลับในอาญาเนี่ยเอาไปใช้อ่านแล้วจะหายตัวอ่านแล้วแล้วก็ เออมีมีมีคนเชื่อแบบนี้จริงด้วยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่วิชาแบบเนี้ยที่กูอ่านมาสอนหรท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนไม่มีความคิดลับแบบนี้ที่ควรจะแสวงกันกูอ่านทั้งหมดนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะเพราะก็จะมีพวกพวกหมอดูพวกโตครูพวกวบอบอที่เขาชอบวิชาเนี้ ว่าเด็กอสราอสราอุลคุรานคดลับของคุรานกุรานไม่ได้ถูกประทานลงมาให้มีเคดลับแบบนี้ออยากจะให้ตัวนี่อ่านนี่อ่านอาย่านี้อยากจะให้คนนู้นลงรักเนี่ยอ่านอาย่านี้ออยากจะไปขอสาวแล้วก็เขารับแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะจนเนี่ยสองสามอาย่านี้มีแบบนี้ด้วยอยากจะขาย เอาเอาเอาสระเปาสารเปาที่ไม่อร่อยแล้วก็ขายดีอะไงเนอ่านไ่ี้แล้วมันจะขายดีอะไรแบบเนี้ยเอะเุรอ่านมาใช้พิธีพิธานซึ่งไม่ใช่ไงการดำลึกคุรอ่านคุรอ่านของอัลลอฮฺเราได้ที่ที่สอนให้เราได้ดำลึกถึงพระองค์เนี่ย มันตรงตัวบทตรงไปตรงมาของตัวบทก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องตีความอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรลึกลับเคล็ดลับอะไรที่ต้องตีความซับซ้อนอะไรเยอะแยะมิฉะนั้นกุรอานกุรอานจะไม่ได้ใช้ w า r d هذا بيان للناس هذا กุรอาน بيان บายาียโนลิ ас, เนเสเป็นการอธิบายอย่างชัดแจง้งชัดแจ้งไม่ซับซ้อนไม่ลึกลับใช่ยาของคุณอันนี่เป็นหุดนเดล ล, ลมุตตะกีนเป็นฮีดายาเป็นทางนำสำหรับผู้ย่ำเกรงอุลลอห์นี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงหลอกลวงชาวบา้านหลอกลวงประชาชนในเรื่องธรรมหากินในเรื่อง ในเรื่องหาคู่รักเนี่ยมันไม่ใช่คุณอ่านไม่ได้ถูกประทานลงมาให้เป็นแบบนั้นแล้วในในสุรตะอัลอัมฟาลเนี่ยอกลอสุบฮานุวะได้เล่าเรื่องเรื่องสงครามเบดรระหว่างฝ่ายท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามแล้วก็ชาวมุกไกแล้วก็พระองค์ได้ได้เผยเดชานุภาพของพระองค์ ที่ให้กฎธรรมชาติทั้งหลายนี่มันมันถูกพลิกตามพระประสงค์ของสุภาโนวดาการที่จะเห็นจํานวนศัตรูนี่ด้วยสายตาวปกตินี่จะเห็นว่าจํานวนมากต่โลกวายุคุลิลุฮุมฟีอายุนิฟีอายุนิกุจะให้พวกเจ้านี่มองเห็นเนวเขาจํานวนน้อยวายุคุลิลุมฟีอฮุม แล้วก็จะให้พวกเจ้านี่ถูกมองว่าจานวนน้อยซึ่งอันนี้มันก็คือหลักฟิสิกส์กันล่ละเห็นร้อยเป็นสิบอย่างเงี้ยฮช่มก็มีสองสองคอธิบายหนึ่งสายตาไม่ดี <c oughs> เห็นร้อยเห็นร้อยคนเนี่ยเป็นสิบคนอย่างเงี้ยที่สายตาไม่ดีหรือ a น l a h ทำให้เห็นแบบนั้นนะด้วยเหตุผลบางประการ การนี้อันนี้คือความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุลฮานาวะดารที่ผู้ศรัทธาได้โดยเสน่หาอัลลอฮให้พระองประทานด้วยเดชานุภาพของพระองค์แต่จะไม่พ้นในในในสุรนี้ที่อัลลอฮฺจะต้องสั่งสอนว่าเอาแล้วก็ ได้มาโดยเสน่หาและถ้าเราอยากได้ชัยชนะอยากได้รางวัลอยากได้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุฮานะหัวใจล่ะด้วยด้วยการขอแหละด้วยด้วยการพยายามของเราล่ะปัจจัยอ่ะปัจจัยอ่ะมันมีไหมอัลลอฮฺก็จะไม่สอนว่าปัจจัยอ๋อเตรียมอาวุธดิวเคียต่พวกนี้พวกเจ้าไปคหากันเอง แต่สิ่งที่คนคนจะไม่ไม่สันทั์กรณีหรือจะมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัจจัยได้ไงามันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของกลไกทัท่วๆไปที่คนสามารถคนคิดได้คนพบได้เช่นการรำลึกถึงลอสุภาโนอาตาเป็นสาเหตุในการได้รับชชยชนะ “إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون” แปล <ت> ง <ص> ม <في> า <ق> ยลคือมารยาทเป็นการแนะนำว่ามารยาทที่จะควรประพฤติปฏิบัติในการสู้รบนี่คืออะไรเพราะจารีกประเพณีในยุคนั้นของนักรบวะนะสร้างความหวดกลัวกับกับศัตรูด้วยการตะกล ใช้เสียงดังเราเนี่ยก็ไปเข้าใจเรื่องนี้กันเองพอเขาไปทําหนังกัน่ะทําหนังทําละครเรื่องสงครามออบไม่มีอันนี้ไม่มีไอ้แบบนี้ไม่มีอันนี้หนังอันนี้ละครไม่ใช่ต้องคนเสียงดังอันนี้ไม่ใช่อันนี้คิดกันคิดกันเองมารยาของนักเรียมุสลิม ตามบทบรรยัติชัดเจนน่ะนะก็คือยินหยัแล้วก็รำลึกถึงัมีาใช้เสียงดังก็จริงอะแต่ไม่ไม่ตะโกนไม่วุ่วายฮอนเราจะเห็นราจะเห็นว่าอันนี้นีนี่คือความเข้าใจว่าในสงครามมันต้องอย่างมันต้องวุ่นวายมันคือมันมันชุนลมุนน่ะใช่ป่ะคนนงก็ตะโกนคนนงก็เรียกมันวุ่นวายไปหมด มารยาทของผู้ศรัทาสงฆะไม่ใช่แบบนั้นอราแนะนําบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอยเมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอิเดลกี้ตุมเสียดแนพบตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าปะทะอันนะแต่มันก็ตีความได้หลายหลายความหมายความหมายที่มันชัดเจนที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก็คือสถานการณ์ทําสงกรานก็คือการปะทะในการสู้รบนะหลักี้ตุมก็คือก็คือ คือำว่าลัตเตียเนี่ยแปลว่าไปว่าพบแต่เวลาแปลเป็นไทยนี่พบนี่ก็หมายถึงว่ามาพบกันสลามลักเียตรงตรงนี้เนี่ยมันกว้างกว่ามันภาษาระดับนี้ลัเตียเนี่ยมันกว้างกว่าคําว่าพบแต่พบนี่มันจะมีความหมายภาษาได้เจาะจงนิดหนึ่งแต่ไม่ไม่มีความรุนแรงคือสองคนนี่มาปะท่ากันเขาไม่ได้กันออกมาพบกันฮะ เทคโนโบังกะปีกับเทคโนโมินบุรีอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คำว่าพบกันเสื้อแดงกับเสื้อเสื้อเหลืองพวกเนี้คงไม่พบกันผมไปมีใครไปบ้าเขาไม่ได้ก็บอกกันพบกันพบกันนี่ก็หมายถึงเออเสืออะไรกสวัีครับ แต่เขาแปลทับศัพท์เลยก็ข้อจํากัดของการอธิบายความหมายคุณอ่านแบบสั้นๆในแบบเนี้นะที่ไม่ใช่ชอร์ร์เขาน่ยไม่ใช่ไม่ใช่อัตถาอธิบายเฮงละเอียดนะนะก็คือศัพท์ต่อศัพท์เนี่ยคําต่อคําอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามเอาคําที่มันเป๊ะเหมือนเลยนะวันนี้ใช้คําว่าละกีตุมละเตียเนี่ยแปลพบเขาก็เลยอธิบายเป็นภาษาไทย เมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มหนึ่งเอาอาญะนี่เกี่ยวกับเรื่องสงครามบัดนะเขาไม่ได้กลุมนบีกับกลุ่มมุชริกินนะนะเขาไม่ได้มาพบพบปากอะพบปากเขามาปะทะกันอะอนาในภาษาอับบีเลกีตุมฟิเอตันตีความได้ว่าหมายถึงว่าปะทะกันเมื่อปะทะกับเมื่อปะทะกับศัตรูเนี่ยแต่ก็จะเข้าใจได้ด้วยกัน ดูสิงมืดอหอมานะก็หมายถึงว่าพบตรงนี้ก็หมายถึงว่าปะทะกันน่นละถ้าเราคิดตรงนี้อาจับุตเมื่อพวกเจ้าพกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ยืนหยัดเถิก็จงยืนหยัดเถยืนหยัดมีมีสองในยันนี้ยืนหยัดนี่หมายถึงว่ายืนหนี ซึ S <S <an> ่งในต้องสุรนี้มีคาห้ามหรือที่เราห้ามห้ามหันหลังอ่ะห้ามห้ามนี่ซะด้เราสราบกันนี้ว่าท่านนบีสุลต่ลลาฮูอะลัยฮิสและฟังล้วท่านนบีถือว่าการการหันหลังในสงครามโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ก็หมายถึงว่า ได้มีโอกาสจังหมาที่จะประทะกับศัตรูแล้วทําสงครามมีความชอบทําแล้วอะนะอยู่ดีวีเนี่ยก็หันหลังให้ตัวไม่เหตุผลอะไรเลยนี่บาปเรื่องบาปให้นัยะหนึ่งก็ในในยะหนึ่งก็หมายถึงว่าให้ยืนหยัดนี่หมายถึงว่าเยันหนียืนหยัดยันหนีสิอย่ากลัวยืนหยัดซึ่งในยะนี้มันก็เกี่ยวกับ ถ้าที่ด้านกาิดิยาด้านร่างกายยืนหยัดคือให้เข้มแข็งแต่อีกในยาหนึ่งจงยืนหยัดหมายถึงว่าให้เข้มแข็งให้จิตใจใเข้มเยาวันไหวเยาวัดกลัวยาพวพาวาอันนี้สวัสดมาจะคขาว่าฟัสบุตู ف ث ب و ت و نكر ي ا س ن أمر فعل أمر فثبتوا نعمكم من الثبات ثبات ن ي ثبات نيا ك m e a n ما دين نيا نبندكم مخاري دعات ذنب يشوب خانه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على د ي ن ك والله ب و س و م ف ي ك و جاي ของผู้คนทั้งหลายจะได้ปรดให้ให้ใหัวใจของข้าพระองค์เนี่ยยืนหยัดหัวใจยืนหยัดยังไงเนี่ยในยะที่มันเชิงนำ ม, มาทำไม่ใช่ด้านกตยาไม่ใช่ด้านร่างกายนะหมายถึงว่าให้ให้เข้มแข็งให้หัวใจฉันเข้มแข็งกับหลักการยืนหยัดกับหลักการอันนี้ก็เหมือนกันมีสองในยะในสัพพุตุจงยืนหยัด ยิ่งหยัดด้วยร่างกายคืออยาหันหลังอย่าหนีสงครามนะอันน right ี <Uma> ้หนึ่งนะในยานึงอีกในยานึงก็หมายถึงว่าให้หัวใจเข้มแข็งยังไงอ่ะให้มีความหวังสูงด้วความเมตตาของอัลอมีความช่วยเหลือของอัลอให้มีความเชื่อมั่นในอิมานความเชื่อที่เราที่เรามีในชัยชนะที่อัลลอฮ์สัญญาไว้กับท่านนบีที่ท่านนบีได้กล่าวว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการอินงหยัดฟาสบุตู ว่ ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون ละจงรำลึกถึงอัลลอฮฺมักมจงรำลึกถึงอัลลอฮฺมักมาการรำลึกถึงอัลล ن ه ะ ا ل ى ในช่วงทาสงครามช่วงสู้รบร่มประทะเนี่ยโดยวัฒนธรรมของการทาสงครามนี่ไม่เป็นที่รู้จัก ก็เราไม่ได้บริโภคข้อมูลเรื่องธรรมสงครามมารายาทธรรมสงครามไม่ได้บริโภคจกักรการศาสนาเราบริโภคอย่างไหนเล็กหนังนะภาพยนตร์ดูหนังจีนเขารบกันยังไงอน น, อ น, น, อ น, น, อ น, นี้มันซึมซึมมซึมมาแล้วเราก็เลยเราก็เลยคิว่าสงฆ์รรมในอดีตจนปัจจุบันก็ต้องเป็นแบบต้องเป็นแบบนั้น มฮ้อะไรหลายอย่างกันะที่ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมบ้ามุสลิมตัวโลกกันะที่ที่ซึมซับมาจาก้าพยนตร์มาจากละครแล้วก็เอามาจดจำมาเป็นมาเป็นข้อมูลด้านวิชาการเลยอะ ไปดูหนังภาพยนต์ของอริซาละนี่ของอโมร์มุคตาร์ของมานี่ยแล้วก็มันต้องเป็นแบบนั้นหมดนะไม่ใช่คือรายละเอียดดีเทลอะไรบางอย่างนี่ผู้กำกับนี่เลอะเทอะเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้อ่านกุรอศาสตร์ต้องต้องเข้าใจนะเพื่อถ้า แต่สมมติสมมติว่าเราไปไปดูหนังไปดูละครไปดูอะไรเนี่ยโดยเฉพาะทีเกี่ยวกับปอสวาสตร์อิสลามอย่าอย่าเอามาจดจำเป็นข้อมูลด้านวิชาการโดยเด็ดขาดหัวใจไม่ได้เลยเพราจะฉะนั้นทำไมมันต้องมีเอฟเฟกของของของด้านศิลปะทำให้ตื่นเต้นนะใช่ไหมอลองคิดดูซีนสงครามที่มีการลําลึก ถึงเราสุภาราชาแล้กนักสู้นักรบเนี่ยรำลึกถึงเรามากๆนี่ตามคาสั่งเนี่ยถ้าผู้กากับจะมาจะมาทายทำเขาทำยิงกูจะทำยิงอะไรเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอะเยแนี่คือมารยาทอุกรุากษีร رملت الله سبحانه وتعالى مافا. ي ذ ه م ذ ك ّ طبراني، ب ع ن ه عمل عمل صغير. نبي صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه سبحانه وتعالى: إن الله يحب الصمت في ثلاث. الله شاء قام ن ن سام ستانكاني. سام س ت ا ن ك ا ن ن ن هو القيتال، سرو، ا ث ن ي ا ل ذ ك ر การรำลึกดื่มการรำลึกตัวนั่ล่ะสาก็คืออารจนาซ่าความนิ่งนี่หมายถึงว่าคือในสาม่อย่าให้อย่าให้วุ่นวายอย่าให้ได้ใเสียงดังนี่นี่เป็นมารยาทเป็นมารยาทที่ค่อนข้างมีอิจาอกนเรื่องจนาซเนี่ย ห้ามใช้เสียงดเฮ้ยระวังเไม่มควรเว้นแบบนั้นเฮ้ระวังระวังะงรัถ้าใครเคยไปไปีนะไปมักการเนี่ยเขาก็จะจะยกเดนาซาเนีะเดินเดินยาวนะจะมาซีนนี่ไปเองที่มักการเนี่ยถ้าเาจะถ้าเขาจะไปฝังไกล้ที่สุดนี่ก็คือโฮยูนเนี่ยก็ประมาณสี่ห้ากิโลเดินนะ บางทีก็บางทีก็ขึ้นรถก็จริงแต่ถ้าขึ้นรถส่วนมากเนี่ยขึ้นรถเียก็ไปกูโบยที่หนึ่งอยู่อยู่หลายสิบกิโลเนี่ยข้างนอกมากกะที่มาดีน่าเนี่ยจากมัสยิดนบีตำแหน่งที่เขาละมาดหนีไปถึงบักเกี้ยวที่เขาจะให้ฝังอะนะอ่นั่นก็ประมาณเจ0รอยเมตรก็เดินก็เกือบกิโลนั่นแหะ แล้วก็จะมีคนละหมาดคนนั่งคนอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เสียงดังนั่นแหะผิดเฮ้ยรบลน่น่อ ย, ออยตรีกตรีกตตรีกไขอทางหน่อยขอทางหน่อยบ้านเรานี่ก็จะมีอะไรอะไรคล้ายๆแบบ น, นี้เรื่องยนจานใช้เสียงดังอะไรเนะี่ยไม่ควรหลายอย่างนะันนั้นที่เ่เรื่องจันรานัน ท, ที่ที่มันไม่ควรอ่ะนะเรื่องใช้เสียงดังสูบบุรีนะนี่ยอะ เดินจลาจ h สูบร uh, hey. ีไปพูดเรื่อดุนยาเฮ้ยเมนูเมวานบุบบอลกะลังตามจลาจายู่เนี่ยคนเฮ้ยนบัทองเทไรวะมันกูโบนอ่เคยดีหุ้นบทอเไพูดื่องหุ้นมันกูมันกูโบเลยูเรดุนยามันไม่ควร หลายอย่างที่มันเป็นมารยาทและควรศึกษามารยาทตามหลักศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าเราอยู่กับวัฒนธรรมหลากหลายไงมุสลิมก็บไปงานศบนุนนมันก็ซึมซับมาโดยที่ไม่รู้ตัว จึงอย่าสงสัยเลยว่าไอ้ที่เลี้ยงทําบุญสามวันเจ็ดวันอะไรนี่มันมาจากไหนอย่าสงสัยเลยบ่านเราบ้านมุสลิมมานะนติดอยู่ติดวัดนี่แหละติดวัดเต็มเราเห็นก็เราเข้าออกเข้าออกก็เห็นเอ้ามีมีงานศพอันนี้จะอะไรอย่างงานศพเอ้าเขาเลี้ยงก็อยู่กันอย่างนี้เป็นร้อยร้อยปีอะแล้วมันจะไม่ซึมซับลหรอ ไอ้เรื่องที่มันเรื่องที่มันเล็กกว่านี้ยังสื่มซับแลเรื่องใหญ่แบบนี้จะไม่สื่มซับหรอสื่มซับในเรื่อการแต่งกายพฤติกรรมคำพูดมารยาทปางอย่างมันยังสืมซับเเรื่องที่มันแล้วเรื่องแบบนี้ที่เห็นเห็นกันแ ก, แกตาเนี่ยมันจะไม่สื่มซับได้งไงไม่ต้องสงสัยเลยอะไรบางอย่างนี่นะออให้ดูที่ อ, อืน่นนี่ไม่มี สมัยท น, นบีเนี่สมัยแจฮีเลียนเนมีทำบุญคนตา ย, ยานะเลยท่านนาบีห้ามต่ตอนก่อนนั้นก็เลี้ยงวันเดียวครัง้งเดียวไม่ใช่วันเดียวแต่นี่พ อ, พ อ, พอเลี้ยงสา ม, สามวันเลี้ยงเจ็ดวันรอบปีสมัยนบีก็มีแต่มันไม่ได้มีรย า, ายละเอียดดีเทลแบบนี้เก็มันก็ไม่ต้องสงสัยแล้วสิว่า เอาเอเนื้อหาจากตั้งแต่สมัยจ้าฮิลเลียนี่แต่ไรละเอียดนี่ครบรอบกนี่แหละมันซึมซับมาจากรบกวนนี่แหละไม่ใช่จะที่อื่นฝั่งไหนเราฟังฝังริมคลองนี่แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีสุเราฝั่งนู้นก็มีวัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยคือเขาก็ซึมซับจากเรานะ มีสมัยนู้นเขาก็เห็นนะมุสลิมทําอะไรมุสลิมทําอะไรก็ถูกเรียนแบบไปด้วยเรียกว่าซึมซับกันไปซึมซับกันมามันก็มีถึงบอกว่าการเรียนรู้และการศาสนาจากแหล่งความรู้คือตัวบทในคุรานฮะดิษเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยกลับไปสู่แก่นแท้ของ มารยดพฤติกรรมต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะดาระต้องการใเราบังคับปฏิบัติกับไบือ่อนุรานะะดีสเราจะรู้ว่างาที่ต้องทำแบบไหน123อื่นจากนั้นไม่ใช่แล้วท่านบีสองไม่ง่ายๆนะมันอ่ะแต่สีอัมรินะฮะดะมาเลสัมินรัดุนใครมาอุตรอะไรไม่ไมที่ไม่มีในกิจการของเราเนะฟะหัวรัดดุนกคอในสิ่งที่ในตัวบทนีไม่มีนะรัดดุน ปฏิเสธม่สอนให้เราอนุรักษ์หลักการศาสนาง่ายๆนะด้วยในตัวบทไม่มีอะไรนะาทำไปซะอะไรที่ไม่มีอ่ะรัดดุลปฏิเสธซะและแบบนี้เราก็จะรักษาความสุดใสความไม่เอียงความความแจ๋วของของศาสนาเนี่ยให้เหมือนดั้งเดิมจาก จะภับิดเบือนไัยเบี่ยเบงอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการลเวลาสองอย่างที่เป็นมารยาท่ละซุานวะะลาัมบตุวะูรุลล์กะีเรีนลจงระมึกงละซุานวะะลามลุมตฟลิฮนพือพวกเจ้าจะได้รับความสาเร็จนี่นี่คือเนื้ ของอายะนี้ที่ถูกประเจาลงมานยายามสงครามก็คือการปะทะปะทะกับศัตรูให้ยืนยะกระมลึกแต่อายะนี้ก็สามารถตีความได้ในในยะออื่นที่ไม่ที่มันไม่ได้เป็นการปะทะด้านการทำสงครามหรือสูรุ สงครามหรือการสู้รบแม้กระทั้งในอดีตและปัจจุบันมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวของการประทะด้วยอาวุธที่จะต้องเสียเลือดเสียเนื้ อ, อการทำสงครามการประทะานี้อาจจะเป็นการทำสงครามด้านปัญญากรัี ซึ่งมันจะเป็นสงครามต้นแบบและมีอิทธิพลสูงที่สุดในยุคปัจจุบันถ้าเราไปนับนะสงครามที่มันเกิดขึ้นแต่ละพื้นที่แต่ละสมัยเนี่ยกว่าจะเกิดนะอย่างแอฟริกาอย่างเงี้ยทั้งทวีปเนี่ย มีกี่สงครามมีอยู่สองสามจุดเอเชียทั้งทั้งทวีปเนี่ยมีกี่จุดสงครามสงครามนนะมีกี่จุดแต่การประทะักหรือการทำสงครามด้านความคิดด้านปัญญามันแทบทุกที่ในประเทศเดียวกันนะ่นนะดูดิสงครามนะั่นสงครามสีสงคราม สงครามด้านความคิดสงครามระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เป็นสงครามแล้วนะสงครามระหว่างระหว่างเด็กเลวกับสลิมกับเป็นสงครามกลายเป็นมิติของของการประทะระหว่างสองรุ่นไปเลยนะผู้ใหญ่ก็ออกมาออกมาด่าเด็ก แบบเสียหายเลยเด็กก็ออกมาไม่เลี้ยงเลยผู้หลังผู้ใหญ่เสียหายเหมือเงินนี่การประทะใช้อาวุธมใช่ใชใช้คำพูดใช้ความคิดอันนี้ก็บอกว่าเด็กเด็กเรียนนอกซึ่งคำนี่มันมีนัยนีไง <c oughs> มันมินัยยะเชิงโจมตีเด็กเรียนนอกก็คือเด็กที่ไม่รู้วัฒนธรรมของตัวเองไม่รู้จริตปพระเพณนีการลักเทศฮ ะ, ะไม่ได้ไม่ได้อนุรักษ์ความนิยมของประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้เอาแต่ความคิดของคนนอกค น, คนที่ไม่ช่บ ไม่ใช่ชาดเดียวกันไม่เช่ศาสนาเดียวกันคนที่ไม่หวังดีกไปสรุปในคำว่าไอก น, นันเนาะอันนี้มาสารุป ส, สรุปสรุปคำด่าหลายอันอะไนระนี่นเลยในี้ฝั่เด็กก็ไพวกล้าหลังล้าหลังอกกะีความได้เลยว่าสำหรับคัดแยกที่สงคัญเรืความคิด สองคำระหวา่างเสรีนิยมอนุรักษนิยมโดยนี้ได้ยินสองคํานี้บ่อยนะโดยเพาะนี้ในรายการแพทย์ในมีจะพูดถึงหนึ่งนี้เสรีนิยมเสรีนิยมแล้วก็อนุรักษนิยมที่จริงทั้งสองคำ ม, มันนะมันมีความสวยงามในตัว ซีรีมีใครไม่ชอบเสียีเสีแล้วก็อนุรักะคาว่านิยมนี่มันก็เป็นเป็นคำที่มีความชอบอยู่แล้วแต่ในยง่ของของแต่ละคำเนี่ยมันก็คือมันก็คือคำโจมตีคำดา่าไอ้พวกเสรีนิยมไอ้พวกพวกไม่มีกรอบ พอกไม่มีไม่มีขอบเขตทำได้ทุกอย่างไอ้พวกไม่เอาศาสนาอ้ไงอันนิยมพวกคงเห็นประชาชนไม่อยากจะให้ประชาชนมีสมองคิดเอาต้องปดแอกเพราะเป็นขานิยมต้องต้องใส่แอก มาแทบแบบนี้ในในโอกาสที่ไม่ได้เป็นภานสนามรบนะฮะในโอกาสของอินเทอร์เน็ตเงี้ยไปดูดิสงครามดูเดือดยิ่งกว่าสงครามโลกอีกเกณฑ์ทหารเนี่ยแ็กสองสุดโอ๊ะสิบห้าล้านเนี่ยเนี่ย คือเกณฑทหารเนี่ยไปสู้รบก็คือความคิดนี้เนี่ยที่จะไปหักล้างความคิดอีกอันหนึ่งก็ทําฮชแท็กเกณฑ์เกณฑ์ความคิดจะได้ไปถล่มอีกความคิดในด้านความคิดของวัตถุนิยมก็าเรียนเดียร์เลติคือความคิดมันจะทุกความคิดนี่มันจะหักล้างความคิดและจะงอกเงยมาซึ่งความคิดอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีความคิดที่จะหมักล้างเรื่อยๆนี่ความคิดด้านวัตถนิยมมันนะ แต่มันก็มีส่วนหนึ่งของความเป็นจริงว่าความคิดเนี่ยมันจะมีการหักล้างมีการประทับอยู่เสมอเขาบอกว่าสงครามโคเซนเนี่ยสงครามโคเซนเนี่ยที่คริสกิสตจักโดยแกนนำของโบฟัติกันเนี่ยที่ได้ยกทัพระยึดดินแดน แล้วก็ยครองประเทศมุสลิมตั้งแต่ศตวรษที่สามนะฮิจรัก็เมื่อประมาณพันกว่าปีนะทั้งหมดเนี่ยมันเก้าระรอเก้ากระแสสงครามคุ य, ิษฐ์ทางดันมาเป็นพันปีแบบนี้แต่สุดท้ายมุสลิมก็ชนะแล้วก็ขับไล่ คริสจากดินแดนของมุสยิมระรอกสงครามโคสต์ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่เก่ า, กาเนี่ยกษัตริย์ของฝรั่งเศสถูกอุ้มเป็นเฉลยศึแล้วก็ถูกขังที่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เมืองดิมิอที่อีชื่อดาร์ลกมมน ชื่อชื่อผู้ใหญ่เนี่ยชื่อลุกมานเขาก็ อ, อุทิศบ้านให้ให้กองทัามุสลิมเนีนยน่ยใช้ในการกักขังเชลเลยสำคัญนี่เป็นกษัต ร, ริย์ของฝรั่งเศสเลยก็มากักขังที่ดาร์ลุกมานเขาบอกว่ากษัต ร, ริย์ฝรั่งเศสลุยเหมือนกันนะหลรยเขยาเยอะไง หรุ่ยสิบเก้าหรุยกันหมดเลยแล้วก็นับหรุยกันไปเขาบอกว่าถูกถูกกักขังแก่เกิดก็นั่งคิดตั้งแต่สงครามโคลสิตครั้งแรกถึงครัง้งสุดท้ายที่แกนำทับมาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการยึดครองดินแดนของมเสเขาก็เลยตั้งใจว่าถ้าเขาถูกปล่อยตัวทุกหมายถึงว่าจ่ายเงินชดแล้วก็ปล่อยตัวเขาจะกลับ เขาจะกลับไปสร้างระบบการทำสงครามด้านความคิดซึ่งถูกป่อยริงก็กลับไปริงเริ่มพัฒนาความสามารถของประเทศของเขาเนี่ยด้วยวิชาการประเทศฝ ร, รั่งเศสในกริเริ่มหลังจากสงครามโคเิต ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยประเทศยุโรปนี่ก็ยังอยู่ในยุคมืดไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอรารยธรรมเลยเ็าบอกว่าเรื่องแรกที่คนฝรั่งเศสเนี่ยที่เริ่มคิดเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมทำน้ำหอมอะประเทศฝรั่งเศสทุกวันนี้เนี่ยจึงจริเรื่อง อนนีนั่นประวัติศาสตร์นะในในตำราของคนฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดกันเราก็รู้กันใช่ป่ะว่าฝรั่งเศสเนี่ยจเจริญมากเรื่องน้ําหองเนี่ยแต่เหตุผลเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนฝรั่งเศสเนี่ยเข้าห้องน้ํานี่ไม่ไ ม, ไม่ชําระในภาษาแล้วตัวเขาจะเหมันมากอาบน้านาํามันก็อาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งคนฝรั่งเศสจะเหมันมากเขาก็ พัฒนาอุตสาหกรรมการทําน้าหอมจะได้ตอกกลิ่นเหม็นนะคิดดูสิคริสในยุคมืดของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นออบาดาานะ้นะ่ะนะคือการไม่อาบน้ำคือตัวเองเนี่ยไม่บวชเขาถ้าบวชนี่ก็จะเป็นบาทหลวงบาทหลวงนี่ก็อยู่อยู่อยู่ในอยู่ในโบสนี่ก็เป็นเป็นปีเนี่ยไม่อาบน้ำเนี่ยเขาถือว่าเนี่ย ยอดของเขาแต่คนนอกที่เขาไม่อยากบวชแต่อยากจะสมถะอันนั่นก็คือไม่ไม่อาบนะ้ำเขาะนี่ปัญหาเรื่องที่ไปที่มาของความเจริญของเขาในเรื่องหนึ่งน่ะเรื่องเนี่ยเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยมีท่อน้ำเสียเขาจะถ่ายทุกในกระมังที่บ้านแล้วก็เทนาบ้านเลยทำให้ เมืองเหม็นกันทั้งเมืองกันเลยอันนี้ที่ไปที่มาเขาก็เริ่มคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเขาด้วยความรู้เขาบอกว่าเราไปผิดผิดทางเราไปสู้รบกับมุสลิมและไม่ได้เอาอะไรเลยของความเจริญของมุสลิมการออกแบบผังเมือง การทำสาธารณโภคนี่ทั้งหมดนี่เอามาจากเมืองมุสลิมนพันกว่าปีเนี่ยฝรั่งฝรั่งที่ทำสงครามโกเซตเนี่ยเขาก็จะมาทึ่งกับประเทศมุสลิมที่เขามีห้องน้าห้องน้ำสาธารณะที่เราเรียกกันว่าซาวน่าเนี่ยแดดดเมืองเดียวน่ะ เขาบอกว่ามีเสาหน้าเนี่มีห้องน้ำสาธารณะเนี่ยแล้วก็มีแบบของผู้หญิงอย่างเดียวมีผู้ชายอย่างเดียวพันกว่าแห่บงบังคอกยิงไม่มีเลยเนียห้องน้ำสาธารณะแต่ก่อนนู้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ร้านประตานโดน้วยไม่ใช่ร้านอาบห้องน้ําเนี่ ย, ยก็จะเป็นอาคารใหญ่ มีแหล่งน้ํามีมีบ่อน้ําแล้วก็ผ่านเตาใหญ่อุ่นน้ําร้อนโอ้เป็นเป็นคือเป็นเรื่อง เ, เป็นราวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซาว์น่าแบบเล็กๆกนะันเป็เ อ, อแบบย่อมๆนี่นะไม่ใช่พันแห่งที่บักแดดเรื่องนี้ก็มีนักบุรพาคดีที่เขาเคยเขียนเรื่องอารยธรอิสลามเขาก็ได้เทียบบอกว่าขนาดที่ ปีที่ศตวรที่หฮิจร็อห์เนี่ยก็ประมาณเก0ปีที่บักแกนเนี่ยมีห้องน้ำสาธารณะพันแหว่งขนาที่ชาวคริสต์ตอนนั้นน่ะในประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยอาบน้ำอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งแต่ตอนนั้นนมุสลิมเนี่ยจะอาบทุกวันประเทศยุโรปเนี่ยเพิ่งรู้ สภาวะคุณของการรักษาฟันด้วยกันถูฟันด้วยกันทําความสะอาดฟันก็เลยมีแปรงถูฟันเนี่ยอายุมันในประมาณสองร้อยปีนะถ้าสองร้อยปีนี้ก็หมายถึงว่าคนชั้นสูงเริ่มที่คนชั้นสูงก่อนแต่หารู้ไหมว่าประชาชาติอิสลามเนี่ยเขาถูฟันกันทุกชนชั้นเลยนะด้วย แป้งถูกฟันที่ดีที่มีสมุนไพรที่ดีโดยถือว่าเป็นหลักการศาสนาก็คือเรื่องสิวางมีทั้งกทเนี่ยเขามามาพุกปากกับมุสลิมแล้วก็ประเมินเก้าร้อปีที่เขาปะทะด้านสนามรบเนี่ยที่เขาสู้รบ ก, กับมุสลิมแต่ไม่ได้พัฒนาบ้านเมืของเา กษัตสุดทยของฝรั่งเศสนี่ยก็เลยเริ่มคิดกลับไปแล้วนี่นะก็เลยเปลี่ยนใหม่ทําอะไรซื้อนังสือสั่งซื้อหนังสือจากประเทศมุสลิมแปลนังสือส่งคนไปเรียนส่งคนไปเรียนประเทศมุสลิมอุศวกรนักฟิสิกส์เคมีแพทย์แล้วก็เริ่มพัฒนาประเทศ ผ่านไปแล้วในประมาณร้อยกว่าปีหลังจากนั้นนะ่ะนะหลังจากนั้นนะ่ะประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มมีความสามารถสูงดันดันอารยธรรมดันไรายได้ก่อนที่จะถึงยุคจักรวรรดินิยมที่ประเทศยุโรปเนี่ยก็จะไปยึดครองประเทศตามแถวีบต่างๆเนี่ยส้ม นักภูมิศาสตร์ไปเที่ยวทางกริย์นี่เขาทุกทุกองนี่ก็จะมีกองทุนให้พวกนักภูมิศาสตร์นักท่องเที่ยวเนี่ย เ, เอางบไปไปทาอะไรไปเที่ยวอีบแต่ไปเที่ยวแล้วก็วาดวาดภาพหมดเลยนะแล้วก็เขียนรื่งงานหมดเลยนะประชาชนเนี่ยเขาทำงานอะไรเขามีไรายได้ยังไงเขามีปศุสัสตว์เลี้ยงอะไรเขาสร้างอาวุธยังไงก็ได้หละว่า เหมือนเป็นนักสอดแนมเหมือนน่ะไปแล้วก็เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันได้ทำอะไรที่มันที่มันมีผลงานด้านด้านความคิดทุกวันนี้นะแผนที่ที่ละเอียดที่สุดของประเทศอียของชาวฝรั่งเศสที่ที่คนฝรั่งเศสส่งส่งไปคนหาในประเทศอียิปต์ แล้วถูกแปลจากวัตถภาษาฝรั่งเศสเป็นเป็นเป็นภาษาอาหรับตอนนี้ก็ยังก็ยังเป็นตำราเป็นตำราสำคัญมากเนยเนีน่ยโดยเพราะด้านแผนที่นะข้อมูลความรู้ชาการเนี่ยทางตะวันตกโดยเฉพาะเนี่ยเขาถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในการที่จะทำลายฝั่งตรงข้ามโดยที่ไม่ต้องสร้างอาวุธที่มันเป็นรูปธรรม เราไม่ต้องทำสงครามที่มันเป็นรูปธรรมฉะนั้นการทำสงครามด้วยการทำลายร่างกายเสระเอามีดเอ้าดาบมาตัดคอมาทิ่มร่างกายคนก็ตายแล้วก็นับศพกันใช่ไหมประชากรห้าล้านส่งทหารไปห้ามืนตายไปมื่นหนึ่ง เหลือเท่าไหร่ไอ้ที่เหลือนี่นะก็คือร่างกายเขายังเหมือนเดิมหัวใจเขายังเหมือนเดิมอุดมการณ์เหมือนเดิมจิตใจศาสนาเขาเหมือนเดิมเขาก็มาฟื้นฟื้นอีกสองสามปีนี่เขาก็มีจะเดินเติบโตก็มีมีลูกขึ้นมาใหม่แต่ศาสนาของเขานี่ก็ยังเหมือนเดิมเขาก็คิดว่าทําสงครามแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มถ้าเราทําสงคราม ที่ไม่ได้ทำลายร่างกายอย่างเดียวไม่ต้องใช้ดาบมาฟันคอหรือม า, มาทิ่มแทงร่างกายแต่เอาอาวุธที่ทำลายสมองและหัวใจทำลายศาสนาทำลายศีลธรรมซึ่งมันจะแพร่ระบาดร้ายแรงและกว้างขวางกว่าการทำสงครามที่มันเป็นรูปธรรมอนะ่ะ และมีผลและมีผลกับคนที่เป็นนักรบและคนที่ไม่ได้เป็นนักรบสงครามด้านความคิดนี่ก็มีหละรูปแบบด้านวิชาการด้านความรู้ด้านศิล ป, ปะเรื่องภาพยนตร์เรื่องอะไรแต่อย่างที่เราเห็นกับเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราอ่านอายะเนี้ยเราก็ต้องตีความว่าและในสงครามที่ไม่ได้เป็นรูปธรรมสงครามที่ไม่ได้เป็นการประทะด้วยอาวุธแบบนี้เราปะชิญหน้ากับศัตรูยังไงอันนี้นี้ขนาดเนี้ยในขนาดเนี้ยเราอาจจะปผชิญหน้าในอินเทอร์เน็ตปะเชิญหน้าในทวิตเตอร์ใน Facebook ประชาชนหน้าในห้องสมุดในห้องบรรยายในห้องสัมมนาในการประชุมใหญ่ในแตว่านาใหญ่อะไรอย่างนี้มีการพูดคุยเขานำเสนอความคิดของของเขาถ้าเราอ่อนไหวถ้าเราไม่มีจุดยืนที่จะยินหยัดในศาสนาในอุดมการของเราเราก็จะชอบ ความคิดอุดมการของเขาบริโภคไปบริโภคมาสุดท้ายเนี่ยมันก็ซึมซับสุดท้ายนี่ความคิดของเขาเนี่ยที่จะมาบุกรุกไม่ได้ยึดครองดินแดนนะไม่ได้ยึดครองดินแดนแต่ยึดครองสมองและหัวใจสรัฐอเมริกใช้อาวุธและเวลากว่าจะยึดปาเลสไตน์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก แต่ใช้เวลาใ ช, ใช้เวลาเป็นร้อยหลายร้อยปีกว่าจะยึดปาเลสไตนะ์นแต่ใช้เวลาไม่ถึงห้าสิบปีนี่นะไม่ถึงห้าสิบปีเนี่ยทำไมผู้นำประเทศมุสลิมเนี่ยวิ่งไปขอจับมือขอคืนดีกันขอเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นมิตรกันนะนี่ล่าสุดเนี่ยผู้นำซาอุดีก็ไปละ แอบพบกันพบกันที่สวัสดีฮรุเนเธเนียกับเอ็มบีเอสก็อีกไม่ช้าอีกไม่นานก็จะได้ยินข่าวที่น่าสลดใจก็คงถลงสนามบินดินดนเนี่ยไปอุมรนี่ก็อาจจะผ่านสนามสถานทูตอิสราเอล อาจจะเจอสนามบิ น, นจะจะจะยิ่ด้านี่ก็อาจจะเจอยวเจออะไรซึ่งประเ่็งที่ไม่ไม่ไมน่าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นคือผมเองอะนะไม่น่าจะเกิดในยุคผมเนี่ยคงคงเป็นไปไม่ได้แต่นี้แต่นี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะทันนะน่าจะทันมันเร็วมากอะ ซึ่งมันเป็นผลของสงครามด้านความคิดทั้งสิน้นผู้นำประเทศอาหรับประเทศมุสลิมหลายคนก็ออกมาบอกว่าปัญหาเราไม่เคยเจอกับยิวกับประเทศเดิมเราไม่เคยเจอเลยเราเจอปัญหากับพวกอาหรับนี่แหละพวกมุสลิมนี่แหละพูดแบบนี้ก็แสดงว่าได้บริโภคเหตุผลของ ของนักรบทางจิตวิทยาขอ ง, ของอยิวรัะตะวันตกแน่นอนแต่มันก็มีส่วนหนึ่งของความเขาความไม่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเสียหายที่เราได้มันจากศัตรูอิสลามเนี่ยนี่นับไม่ถ้วนแต่เราเนี่ยลืมไม่ศึกษาก็จะจะรับรู้เช่นฝรั่รงเศสฝรั่งเศสที่บอกว่า เราเป็นประเทศโครงสร้างของประเทศของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเสรีภาพเราจึงสละเสรีภาพของเราไม่ได้ซึ่งกอ้มดเทสทั้งสิน้นประเด็นของเขาจะไม่เคยรู้เสรียุคจกักรวรรดินิยมโดยเฉพาะตอนที่เขาเป็นจกักรวรรดินิยมเหมือนะเขาไม่เคให้เสรีภาพเลยอ่ะ ประเด็นมุสลิมประเทศหนึง่งเขาเคยเชิญผู้รู้ศาสนาเนี่ยมาคุยกันมาคุยกันว่าจะทํำยังไงในการปกครองแต่ประเทศที่เขายึดไปแล้วอะนะแต่เอามีโต้นี่มาฆ่าผู้รู้มุสลิม400คนโด ย, บบยาะในกรปรนมันพุ่เนี่ยสังหารหมู่เมืองกุบกุปที่ประเทศชาดชาดเนี่ยมันอยู่สุดานใต้ลิเบยีย เป็นประเทศที่มีแต่มุสลิมประเทศส่วนมากพูดภาษาอาหรับแต่ไม่ได้เป็นประเทศอาหรับที่นู้ชาวบ้านเนี่ยเขาท่องจำคุตตานะ ม, มากกว่าคนอาหรับแต่คนผิวดํากันนึงนั้นน่ะฝรั่งเศสไปสร้างโรงพยาบาลที่นบะโอครที่จะเข้าโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลเนี่ยต้องนับถือศาสนาคริสต์เยก่อซเรนิวสงครามด้านความคิด โดยเฉพาะด้านการศึกษามันเป็นเหตุผลที่ทำให้จากวด น, นิยมในก่อนที่จะส่งกองทัพไปยึดครองประเทศต่างๆจะส่งเมชเนารี่สร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนเขาเขารู้ว่านี่นการการหลอกลวงชาวบ้านโดยการทำความดีเอาอาหารให้ไปกินเอาความรู้เอาหนังสือตำราเอายาไปให้เขารักษาโรคนี่มันจะซื้อใจ และทำให้ชาวบ้านเนี่ยซึมซับความรักความความนิยมในตัวศัตรูพอทหารเข้ามาเนี่ยไม่มีขยกจะสู้รบทำไมอย่างก็สร้างประโยชน์ให้เราพอที่หลังเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าแม้กระทั่งในยุคจั ก, กรวรรดินิยมมันนะก็เริ่มรู้ว่าแม้กระทั่งการที่จะยึดครองประเทศหนึง่งแล้วก็บริหารขเขานี่มันก็ไม่คมุ้มถอนจะถอนถอนทหารเถอะ แต่มีผู้นําที่เขาเลี้ยงไว้สีผิวเนี่ยก็เหมือนของชาวบ้านนี่แหละศา ส, สนาก็เหมือนชาวบ้านนี่แหละก็แต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านนี่แหละแต่สมองแล้วก็หัวใจเนี่ยถูกล้างไปหมดแล้วการพยายามของเขาก็เป็นรูปแบบการทําสงครามที่ไม่ต่างอะไรกับการทําสงครามที่เป็นรูปธรรมมันนะอันนี้เนี่ยต้องทําให้เราได้ เห็นว่าการประทะในการทาสงครามมันก็จะมีมันต้องมีมารยาทเหมือนการประทะที่มันเป็นรูปธรรมนะแล้วก็มารยาทสองสองอย่างนี่คือสบู่แน่นอนอุนนี้เนียการที่จะยืนหยัดในสงครามด้านความคิดเนี่ยการยืนหยัดนี่คืออะไรในในอุดมการในหลักการ แล้วเราจะยืนหยัดในอุดมนะอุดมการนี่แหละการยังไงเราต้องถูกชวนคำสั่งสอเราต้องมาฟื้นฟเูเราเราเข้าใจศาสนาถูกต้องหรือเปล่านักฟื้นฟูอิสลามนี่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะล้างสมองของมุสลิมเนี่ยสองรอบล้างสมองมุสลิมจากความคิดของตะวันตกที่เขามามาใสา่ และการล้างสมองมุสลิมจากความเข้าใจศาสนาที่มันผิดเพี้พยนที่เขาเข้าใจว่านั่นคนือศาสนาตรองล้างสมองสองรอบให้คนกลับไปสู่และการศาสนา ท, ที่เทียงแท้จะได้ยินหยัดถูกที่เราจะยินหยัดได้ไดดยินหยัดในเรื่องอะไรในเรื่องที่มันไม่ใช่หลกักการศาสนาไม่ใช่ว่ายินหยัด มุสลิมหลายคนนะนะขี้มแข็งมากในเรื่องนะในเรื่องที่ไม่ใช่หลักการศาสนาที่มาเรานี่ก็มีอะไรที่มันเป็นเรื่องอุตริกรรมเรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างอะนะต้องทํท า, ามที่ปู่ย่าตาเขาต้องต้องทายัางไงเราต้องทําต้องสอดต้องต่อสู้เขานื้อก็ยินหยัดทดั้งนั้นนี่มันไม่มีหลักการรองรับป่ะมันไม่มีผลและบุญที่สามารถสามารถเป็นขวัญใจให้ให้คนที่ สัญญาไว้กับคนนี่แบบว่าทำแล้วแล้วก็อ๋อแบบนี้แบบนี้แหละเข้าสวรรค์มันไม่มีตัวบทหลักฐานเลยมีเรื่องเดียวก็คือภูมิใจในความเป็นความเป็นความเป็นที่มาของปู่ย่าตายายเขาเขาทำอะไรกันมาก็ต้องทำอย่างนั้นไปจำนวนไม่น้อยนะครับ แรีประเพณีความเชื่ออะไรบางอย่างในสังคมมุสลิมที่จะต้องมาทบทวนมันก็เป็นสงครามด้านความคิดเหมือนกันว่าเราก็เคยเกิดสงครามคณะใหม่คณะเก่าคณะคณะใหม่นี่ก็ก็ใช้รูปแบบสงครามนี่แหละเปลี่ยนแปลง ด้วยความรุนแรงด้วยความรุนแรงเพราะเขาไม่เข้าใจไงว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความคิดความคิดเนี่ยใช้รุนแรงไม่มีประโยชน์แน่นอนเพราะความคิดเนี่ยมันคือภาษาที่สมองคุยกับสมองมันเป็นขึ้นนะมันไม่ได้เป็นการประทะด้านวัตถุแ้วถ้าใช้ความรุนแรงสมองก็จะไม่คิดแหละ ให้งละหมาดยี่สตุงละหมัดแปดะไม่ละหมาดแปดนี่ดูกูชกนะเพราะพูดอย่างงี้น่ะชกนะอ่าแสดงว่าไม่คุยแล้วหลักานไม่คุยแล้วก็คือใช้หมัดอย่างเดียวไงไม่คุยแล้วสมองไม่คุยแล้วไงเฮ้ยละหมัดแปดต้องมาจากไหนใครจะมาละหมัดแปนี่เราไม่ให้ฝังกูโบเลยะจบแล้วไม่คุยเลยไม่ฝังกูโบยกทัพไปสร้างมัสยิดอีกทีนึง บ้านเราก็เลยมีมัสยิดเยอะไม่ช่เรื่องที่น่าภูมิใจอนะเพราะมันแตกแยกอยู่ด้วยกันไม่ได้แปดกับกัยี่สิบซึ่งมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทะเลาะกันน่ะนะแต่แยกกันแยกสุระกันไปไปสร้างสุราอู้เออประเทศไทยนี่ชุราเยอะบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจหรอก สุดาที่ละหมาดสองสามคนมะ่มุมที่เหลือนี่ก็จริงจุกวาระด๋าลลีนจริงจุกขี้จริงจุกทำไมอ่ะคือธรรมสินีคนคนละหมาดทุกซอกปะนะมีมีเรา ตอนที่จะเข้ามาละหมาดเนี่ยก็ต้องดูเท้าดูตีนดูขี้จิ้งจกที่ดูขี้จิ้งจกนี่เพราะอะไรเพาเมื่อศิษไม่มีคนละหมาดไงขี้จิ้งจกก็เเยอะไงคนก็ต้องเหยียบขี้จิ้งจกบางอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะมีเงินเยอะในสร้างเมื่อศิษย์อลังการใหญ่โตไม่น่าภูมิใจนะเพราะมันให้เห็นว่า เงินเนี่ยมาสร้างมสัส ย, ยิดใหญ่โตที่ไม่มีคนละหมาดแต่สถาบันอื่นที่จะสร้างการพัฒนาในสังคมเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่มีเรามีมสัสยิดนับหมื่นหลังแต่มีมหาวิทยาลัยเดียวคือในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยนะัมีมหาวิทยาลัยกับมสัสยิดนีอันเดียวกันนะหมายถึงว่าถ้ามีมสัสยิดเท่าไหร่นั่นหมายว่ามีมหาวิทยาลัยด้วย มีมสัสยิดห้าร้อยแห่งแสดงว่ามีมหาวิทยาลัยห้าร้อยแห่งด้วยแต่ของเรานี่มสัสยิดก็คือมสัสยิดก็คือละหมาดห่าวัดดูและก็ปิดออกสร้างมหาวิทยาลัยลกันดิสร้างโองงานฝึกอาชีพอะไรให้เยาวชนมีมีโอกาสในการที่ศึกษา เรียนรู้อาชีพที่เป็นประโยชน์ที่พัฒนาตัวเอ ง, องบางทีบงีง ก, ก็เราก็มีเวลาพอไหมบางทีก็หลอกตัวเองนะเรา ส, า ร, า ส, า ร, าสาร้างเราสร้างโรงเรียนก็นเยอะนะาาว่าเราแต่การโรงเรียนที่มีรูปแบบซ้ำซากสอนศาสนา พอลูกศิษย์จะกโรงเรียนี้จบแล้วจบจากปอนเนะนี้แล้วก็ไปสร้างปอเนาะกปอนเนนึาไปสิปีมีลูกศิษย์จบแล้วจากปอนเียงก็ไปสร้างปอนเนาะหนเป็นแบบนี้ปอนเนาะเยอะโรงเรียนศาสนาก็เยอะพอเบื่อกันแล้วโรงเรียนปอเนาะศาสนาเยอะอับูรณการโรงเรียนที่บูรณการ คือสอนทั้งศาสนาและสามัญแต่เป็นการหลอกลวงตัวเองคือแยกศาสนาและกสามันทําให้เราเนี่ยซึมซับความเข้าใจว่ามันมีทั้งศาสนาและสามัญแต่ที่จริงเนี่ยความเข้าใจของอิสลามที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีหรอกคาว่าสามัญและกษศาสนาของอิสลามนี่มันมันมันอยู่ด้วยกันนะคือสามัญและศาสนานี่มันอยู่ด้วยกัน่ะ เพราะฉะนั้นจะเรียนศาสนาเนี่ยและในนั้นน่ะมีวิชาแพทย์นะก็ถือว่าเรียนศาสนาในนั้นน่ะมีวิศวกรรมมานีก็นั้นน่ะก็ถือว่าเรียนศาสนาเนื้อในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆนะมันเป็นเนี้อเดียวของการเรียนรู้ความรู้ต่างๆความประเสริฐของของการเรียนรู้ทุกวิชานี่นะทั้หมดเดียวกันนี่แหละมันคือหลักการศาสนาเหมือนกัน มาวยีหอาซฮัตมาวยะกัวราวีนแห่งแรกแห่งแรกหลังจากที่แันดาลุสใคล่ว่าที่แอนดาลูสเนี่ยถูกยุบไปนะเพราะมาวิี่อะไรที่อุอนดาลูสที่เปนเนี่ยของมุสลิม嘛นะอันนั้นนะหลายสิบแห่งที่เป็นแหล่งความรู้สำคัญของของยุโรปจะถูกทาลายหมดเนี่ยด้วยคริสต์ที่มายึดครอง แล้วก็มายึดครองนี่พอมุสลิมแตกแยกกันเหมือนกันในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องความแตกแยกเป็นเป็นสาเหตุที่จะทาให้มนุษย์เนี่ยอ่อนปัญญาอ่อนสมองความแตกแยกกันความขัดแย้งทาให้เรางูลงอะความความขัดแย้งความแตกฝากเพียงแค่นี้นะครับลาัลฮซลลอฮุานบีมุฮัมมัดวะอลีซบีัลลัม السلام عليكم <ت ص في ق> و ر ح م ม الله